ขอความสุขความเจริญจะ ม, มีแต่ท่านผู้ฟังท่ายั้นแต่ร่วงพระพทธญาณในวันนี้ก็คงประรบเรื่องทานบา ร, รมีต่อไปคำว่าบา ร, รมีก็คือการเก็บการสะสมความดีเมื่อบา ร, รมีเพิ่มขึ้นก็จะทำหนา้าที่ขจัดลดละสิ่งที่เรียกวาว่าอาสวะคือเกล็ดให้จางไปคลายไปมันเทาไป ก็ทํานองว่าเราอยู่ในห้องมืดเราจุดเทียนขึ้นทีละดวงทีลดวงแสงเทียนก็จะทําหน้าที่ให้แสงสว่างด้วยแล้วก็จัดความมืดออกไปด้วยผลการบําเพ็ญบารมีจึงเป็นกุศลประเภทที่เรียกว่าภาวนาคือการทําความดีที่ยังไม่มีให้มีขึ้นที่ยังไม่เป็นให้เป็นขึ้น เวลาพระพุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงนั้นจะมีนิยะต่างๆเป็นนันมากก็ตามบุธิภาวะของผู้ฟังในขณะนั้นๆแต่เมื่อเรากล่าวนิยะโดยสรุปก็คือว่าทุกกรณีนั้นจะทำหน้าที่ลด ล, โละโลคัโทสะโมหะซึ่งเป็นรากงาวของอกุศลให้จางไปคลายไปบรนเทาไป จึงก็หมายความว่าในขณะนั้นนั่นเองก็ได้เพิ่มทานสมัยศีลสมัยภาวนาใหม่ขึ้นต่พอดีทานเป็นตัวนำท่านก็เรียกว่าฐานะบารมีเป็นกุศลและเจตนาที่ทาหน้าที่ขจัดโลภะหรือความมัจฉริยะในวัตถุสิ่งของที่เราจะบริจาค แล้วก็ทำหน้าที่ขจัดโทสะในตัวคนที่เราจะบริจาคทำหน้าที่ขจัดโมหะในเจตนาที่เป็นเหตุให้บริจาคก็ได้นำศึกษามาตามลำดำับมีชุดหนึ่งนั้นเป็นการแสดงในรูปที่เรียกว่าจุดกระตุ้นหรือจุดที่ประรบ ประการหน้ทานแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นเราจะเห็นว่ามันมีตัวกระตุ้นจากข้างนอกบ้างหรือกระตุ้นจากจิตสานึกของเราเองบ้างเช่นว่ามีข่าวคราวการชวนชวนชักชวนจากบุคคลอื่นให้เราช่วยสมทบทุนบริจาคเพื่อการกุศลในแต่ยังหนึ่งเราไม่เคยรู้และไม่เคยคิดมาก่อน พอเรารู้เขาก็ชี้แจงแนะนำเราก็เกิดความคิดขึ้นก็แสดงว่าจุดกุศลและเจตนาในขณะนั้นเกิดขึ้นจากการกระตุ้นมาจากข้างนอกแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีเชือ้อมีพื้นที่จะเสียสละบริจาคสมครองหนุ่ครอ์ต่อกันอยู่ด้วยแต่เราไม่มีพื้นไม่มีเชื้ออยู่มันก็ฟังหูซ้ายข้าหูซ้ายตาลหูขวาไป บางครั้งบางครามันก็คิดขึ้นมาตามปกติแล้วก็อาจจะประลบความดีงามต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาในเช่นนั้นแล้วเราก็ทำออกไปมีความละเมียดละไมขึ้นไปตามลาดับท่านก็จัดเข้าไปในแนวที่ก็เรียกว่าอาทิตยปฏตยะคือความเป็นใหญ่หมายความว่าการกระทาทางครั้งนี้ประลบอะไร อะไรเปนตักระตุน้นโดยการแรกเขาเรียกว่าโลกาที่ปไตยทานคือการทําทานที่ปราะรคนส่วนมากเห็นคนส่วนใหญ่ก็ทํากันเราก็ทำํำก็้ายๆกับเทศกาลต่างๆเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานตเทศกาลอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการทําบุญดักบาศกันตามประเพณี จนบางครั้งมางคราพระก็ไม่รู้จะทำยังไง ด, ดีรับแล้วรับอีกเมื่อหมดสักทีหนึ่งแรับแล้วไม่รู้จะเอาไปไหนเลยก็ต้องมีกิจกรรมนำไปแจกจ่ายแอ่คนอยากจนกระสนุดนาถาเป็นต้นนั้นก็แสดงเห็นว่าเบ็ดผลสติปัญญาในการคิดเนี่ยมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรอก เพราะถ้าหากว่าเรามีเหตุผลสติปัญญาในการคิดมันก็ทำานงคล้ายๆกับวันพ่อวันแม่วันอะไรที่เราประลบกันมันที่จริงมันต้องมีทุกวันมันไม่ใช่ว่าปีหนึ่งมีเพียงวันเดียวเราให้ความรูกคันแก่พ่อแม่เพียงวันเดียวหรือวันเด็กก็เหมือนกันก็ต้องมีทุกวันให้ความเมตตาอินดูอาทรห่วงใ ย, ยเอาใจใส่ต่อเด็ก ก็ต้องทำทุกวันแต่ว่าผู้เทศกาลทั้งหลายเนี่ยหรือถ้าหากว่าเราใช้เหตุผลสติปัญญาเพิ่มขึ้นก็มีความคิดว่าให้ทานวันไหนมันก็เป็นทานอยู่แล้วสมมติเราจะทำบุญตักบาทระเหมือนเทศกาลอย่าง น, นี้มีคนดักบาทแเยอะเราไม่ดักก็ดักวันอื่น ตอนชีวิตพระจึงมีการพูดว่าอาหารเสือบ้างคือบางวันไม่รู้จะฉันอะไรเพราะไม่มีอะไรฉันบางวันก็ไม่รู้จะฉันอย่างไรเพราะมันเยอะหรือเกิดแม้ตักอย่างละคําก็แย่แล้วมันก็มียิ่งมีหย่อนกันอยู่จังนี้ก็แสดงว่าแ น, นโลกาธิปไตยเนี่ยมันอาศัยการชีน้นําการกระตุ้นเตือนมาจากข้างนอก ซึ่งไม่ใช่ข้อยึติว่าถูกหรือผิดนแต่ว่าเราจะต้องใช้ปัญญาเข้าไปประกอบด้วยพิจารณาด้วยเหตุหรือผลด้วยมันจะเพรโรสลรพากันไปอย่างเช่นในเทศกาลต่างๆของเราเช่นเทศกาสกลสงกรานต์เทศกาลจุดจีนหรือว่าทางราชการปิดติดต่อทั้งสามี่วัน คนก็จะแห่กันไปนต่างจังหวัดรถไปตีกันอยู่กลางถนนเต็มไปหมดเลยแล้วก็ททามาอยู่อย่างเนี้ยตลอดไปนั้นก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ใช่เหตุผลในเรื่องเหล่านั้นแต่ใช้กระแสใช้กระแสสังคมยุคสมัยเทศการการตีค่าการกำหนดให้การให้ความสำคัญแก่วันนั้นๆแล้วแห่กันไปทา การให้ทานในลนักษณะนี้มันก็ลดโลกกดหลงนั่นแหละแต่ว่าในบางกรณีถ้ามันมากเกินเหตุเกินผลไปโดยไม่เกิดประโยชน์คือหลังจะทำไปแล้วเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรมันก็จำเป็นจะต้องสวจสอบพินิพิจารณากันใหม่เหมือนกันกรประการต่อไปเขาเรียกว่าอันตาทิปไตย อัตราที่ปฏตยทานนะครคือการทำทานที่ประลบตนเองเป็นใหญ่ที่มีการประลตนเองเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าประลบขนาดไหนเช่นประลบว่าคนบางคนเขามีฐานะยากจนกัดสวนน า, นาถาเราก็มีเหลือกินเหลือใช้ก็ควรจะช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันสงเคราะห์กัน อันนี้ก็แสดงเห็นว่ามันมีเมตตาเป็นฐานแล้วก็มีน้ำใจเสียสละก็เกิดเป็นการสงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลอื่นแต่บางครั้งก็เห็นว่าเราก็มีฐานะบางครั้งร่ำรวยเป็นหนี้ของแผ่นดินเกิดมาอาศัยแผ่นดินแล้วก็ชดใช้อะไรให้แก่แผ่นดินเข้าบ้างเราก็ทําไปลงเพ็นกุศลสาธารณะต่างๆเท่าที่เห็นว่ามันจะเกิดประโยชน์ คยใช่เหตุผลสติปัญญาส่วนตัวตอนนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นนะคือว่าบางครั้งบคราวมันเป็นการใช่อารมณ์ได้เหมือนกันเช่น ว, ว่าเช่นคนเนี้ยเราชอบเราให้คนนี้เราไม่ชอบเราไม่ให้ก็มีคนบางคนที่เคยมาพูดเป็นทํานองว่าตัวเองมีความสําคัญเอว่าตัวนี้ตอนนี้ไม่อยากทำบุดักบาท ไม่อยากฟังเทศไม่อยากให้ทานไม่อยากรักษาศีลมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรแก่การโอโอวดแต่แสดงว่าเราถดถอยในการกระทำความดีเป็นเรื่องที่น่าจะประรบเพื่อจะรักษาระดับคุณภาพจิตใจของเราเอาไว้กระทอยังไงไปนี่จิตใจมันท้อถอยมันหดหู่มันไม่มีความพร้อมที่จะให้ทานรักษาศีล ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขช่วยหาทางออกแต่พูดคล้ายๆกับให้ความต้องการแก่กตัวเองคือดูแล้วคล้ายๆแต่ถ้าตนเองไม่ตักบาตแล้วาศาสนาจะล่มละลายไปอะไรต่างๆนั้นก็อพูดใหญ่พูดโตเกินไปนั่นก็แสดงว่าอัตาทิปไตยเหมือนกันแต่ค่อนข้างจะหลงตัวเองอัตาทิปไตยนั้นเขาเรียกว่าอะไรล่ะ สํานวนวิชาการหรืออั ต, ตวิสัยคือหมายความว่าอาศัยตัวเองเป็นฐานในการคิดในการตัดสินใจในการทําความดีหรือการลักคองชั่วเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าความคิดเหล่านั้นมีทิศทางมีเหตุผลก็ไปได้เยอะหรือคนบางคนก็จะไม่ค่อยคิดประณนีดอะไรเท่าไรหรอกแต่ว่าคิดในจังหวะที่ได้โอกาส คือในการะีวนการให้ทานถ้าเอาก็จริงมันไม่ใช่เรียง่ายเหมือนกันนะคือ 1. นึเราต้องมีสิ่งที่จะให้สองเราเกิดกุศลและเจตนาที่จะให้แล้วก็สามีบุคคลหรือว่ากิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นที่ควรกับการจะให้แต่มันถ้าเกิดสักสองอย่างมันก็ให้ไม่ได้ถึงสมมติบบว่า เรามีวัตถุที่จะให้เรามีเจตนาที่จะให้แต่ไม่มีผู้ที่เราจะให้เราก็ให้ไม่ได้เพราะนี้จึงต้องเกิดพร้อมกันสามประการในความคิดในสมัยก่อนที่ท่านจึงมีฐานะยากจนแล้วท่านก็ไม่เคยให้ทานที่เหตุไม่เคยให้ทานคือไม่ค่อยมีของจะให้ก็รประรบตัวเองเหมือนกัน และบางทีมันก็ขาดแคลนผู้ที่จะรับซึ่งเรียกว่าทักกินัยบุคคลคือผู้ควรแก่การผู้ควรแก่การรับทักศีนาคือการทำบุญอุทิศกุศลก็อนวการทำบุญที่เราสวดสรงเสริญพระสังฆคุณเนี่ยในห้าข้อหลังนะนะก็ที่จริงก็สี่ข้อหลัง คือเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรการต้อนรับเป็นผู้ควรแก่การทำบุญเป็นผู้ควรแก่การประทำอัญชลีเพราะอะไรเพราะท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นจะยิงไปกว่าแต่หมายความว่าในองรวมมันเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนปัจกระชนก็อย่าไปคาดหวังว่าต้องสมบูรณ์ทั้งหมดเพราะท่านเหล่านั้นก็คือผู้ที่ฝึกปลือปฏิบัติพัฒนาตัวเอง เือให้กิเลสลดน้อยถอยลงไปที่ท่านกำหนดผู้รับเนี่ยคือท่านกำหนดที่ท่านที่สิ้นอาสวะคือว่าไม่มีความโลภของกบฏหลงพูดงยยงั้นนะี่ยนะฮะก็จะได้บุญฮนะกมาในแวดวงของสังคมเราจึงมองไปที่สถาบันสง ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเพราะนั้นแสดงว่าท่านมีราคาตัวสาโมหะลดลงไปมากก็อย่างน้อยก็มากกว่าสามัญชนแต่ถ้าหากว่าท่านไม่มีการลดละมันก็คือการนั่นแหละก็คือไม่เป็นหุนโยปหุนโยมั น, ม, น, ม, นมันจะยันกันไปยันกันมานะครับ หมายความว่าถ้าท่านเป็นอย่างนี้ท่านต้องเป็นอย่างนี้ถ้าท่านไม่เป็นอย่างนี้ท่านต้องไม่เป็นอย่างนี้คือมันจะมีเป็นกับไม่เป็นประกฏอยู่มันไม่ใช่ว่าเป็นการเฉียรพระสงค์หรือพูดเอาอแต่ได้ตรงนั้นแต่ว่าเป็นการอธิบายกระบวนการทางจิตที่ท่านอุปมาเมื่อการปลูกพืชว่าพืชจะดี ด, ดีปลูกลงในดินที่ดี สภาพไปล้อมดีเนี่ยมันเอื้อต่อการเจริญเติบโตและจากการงอกแล้วก็โตได้เร็วแต่ขิงข้างสาขาออกดอกกผลได้เร็วการทำบุญทำกุศลก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะในการประรถตนเองบางครั้งเช่นสมมติว่าชาวบ้านจะทำบุญถวายพระเนี่ยคือไม่คิดอะไรละเอียด คิดแต่บ่พระท่านไม่ประกอบอาชีพไม่ทำนาทำสวนเราก็ประกอบอาชีพทำนาทำสวนมีเงินมีถ า, านะก็ควรจะสนับสนุนการรักษาธรรมปฏิบัติธรรมของท่านตัวเองก็่ติดใจอะไรทั้งไหนไม่ไปตั้งความปรารถนาให้ถูกหวยให้ถูกใครมีฐานะบางครั่งร่รวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีก็ไม่ได้คิดอะไรไปรึกซึ้งขนาดนั้นแต่เย่างนั้นเป็นเรื่องควรทำก็ทำ หรือบางคนนี่ถือว่าเป็นการประดับจิตใจของตัวเองการทําทานนี้เป็นเครื่องมือในการประดับจิตคือทําจิตได้มีความสงบเยือกเย็นประนีตมากิ่งขึ้นมีเมตตากรุณาต่อคนสูงขึ้นมีน้ําใจเสียสละสูงขึ้นมีผลสติปัญญาเพิ่มขึ้นก็ทำหรือบางคนก็อาจจะประลบไปไกลกว่านั้นขอเป็นการตกแต่งภพชาติของเราให้ประนีตมากยิ่งขึ้น เราไมา่จิตประนีดนะภูมิจิตกระกระนีพบที่จิตจะไปบัติกระกระนีนั่นเปกฎเกณฑ์ของเขาเอ่นนะเราทามองคล้ายๆกับคนที่มีความรู้มากมีความสามารถมากก็แสดงภูมิรู้ก็สูงและถ้าภูมิธรรมเขาสูงความคิดซึ่งเกิดขึ้นมาจากการใช้ความรู้ก็ถูกควบคุมด้วยคุณธรรมก็แสดงความสามารถออกมาในการทํางานเด๋ยวมีความรับผิดชอบ คบที่ท่านจะไปอยู่ไปทํางานเนี่ยมันก็สูงแต่หน้าตำแหน่งที่ท่านได้มันก็สูงตามไปมันเป็นกฎเกณฑ์ครับที่จริงถ้าเรามองให้ดีแล้วเราจะเห็นว่าเป็นกฎแบบวิทยาศาสตร์เป็นกฎเกณฑ์ว่าเมื่อมีสิ่งนี้ก็ต้องมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ต้องมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ต้องมีสิ่งนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือแนวของเรียกว่าอัตราธิปฏิยาาน แต่บางอย่างเนี่ยไม่ได้ใส่ใจในลักษณะอย่างา น, นคือประรบว่าอะไรเป็นความดีก็ทำอะไรเป็นความชัวว่วก็ละก็ท่านั้นเองไม่ต้องไปคิดมากลงรังคือไม่ได้คิดอะไรมากแต่ประรบธรรมะเป็นเกณฑ์พวกนี้แต่ละอย่างเนี่ยก็จะเป็นทานบารมีด้วยกันในสาทุสูตรในสังยุตติกายตอนกล่าวถึงเทวดากลุ่มหนึ่งซึ่ง ที่จริงก็อาศัยการทำบุญก่อนก่อนที่จะตายคือสมาทานศีลนะฮะที่ จ, จริงสมาทานศีลแต่ว่าคนที่ให้ท่านสมาทานศีลนั้นเขาให้ทานมาแล้วก็ตัวเองก็ตายไปกำเกิดในสุกติโลกสุวรรค์ก็มองดูเอ๊เรามาเกิดได้อย่างไงก็เราลึกชาติได้ก็ศึกษา ح, ก็รู้ว่ามันได้มาจากครูบาอาจารย์ ที่ให้ศีลในขณะที่เรือกำลังก็ค่อยจมลงไปในมาสมตุตรแต่ผมมีรับศีลจบล้วก็ตายหมดพวกเหล่านี้เขาเรียกว่าคณะสตุลละปะกาญิกาคือมอาพากาบพระพุทธเจ้าต่อพระพักและกล่าวยกย่องสรรเสริญทานที่จริงทานในต้นเห็นของอาจารย์ท่านก็เป็นท้มผัดทรง แต่ว่าถ้าไม่ได้สมบัติเองหรอกท่านเห็นอาจารย์ของท่านตายไปแล้วก็าบังเกิดในสุกติภพชั้นสูงแล้วก็ช่วยท่านเนี่ยได้บังเกิดในสุกติด้วยเมื่อพระพุทธเจ้าทํานองปลารพให้พระพุทธเจ้าตัดสินว่าที่พวกท่านแสดงความเห็นนี่มันถูกไหมเข้าความแล้วต้นโดยจะขึ้นเหมือนกัน ข้าแต่ท่านผู้นิรุกต์การให้ทานนี้ดีนักเพราะจะนีเสียหนึ่งเพราะเมาเสียหนึ่งจากนี้คนจึงไม่ให้ทานเห็นไหมก็แสดงว่าการให้ทานนี้ดีจริงแต่ว่าถ้าเราจะหนีเราหวงเราโลภหรือว่าเราประมาทเราก็ไม่ให้ก็ทานมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าทานนี้เป็นสิ่งที่ผู้รู้ผู้หวังบุญควรให้แท้ เราเสนอความเห็นมาแบบพื้นๆทั่วไปก่อนแล้วองค์ต่อมาก็พูดในทํานองเดียวกันแต่มาตั้งประเด็นใหม่ว่าแม้มีของน้อยก็ให้เพียงแต่น้อยเพราะการทําทานนั้นเป็นการเกื้อกูลแก่ตนเองและเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นนะครไม่ใช่เกื้อกูลแก่คุณบุคคลอื่นจนเรานอนหิวไม่ใช่อย่างนั้นเพราะทานในลักษณะของภาวนา คือสีเนี occasion, qu ่ยเราจะจริงเขาเรียกว่าไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเป็นการเกื้อกูลในทางอ้อมแต่ว่าเป็นการงดเว้นในทางตรงหมายความว่าเป็นสวัสดิการในทางอ้อมแต่ว่าเป็นสวัสดิภาพในทางตรงแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้ไปให้ไปตามน้อยก็เป็นการดีคือมีน้อยก็ให้ไปตามน้อยก็เป็นการดี คนพวกพุ่งหนึ่งก็มีน้อยก็เจีดให้คนพุกหนึ่งมีมากแต่ไม่ให้เสียเลยทักษิณาทานที่คนสละให้จากของที่มีอยู่น้อยเนี่ยก็มีค่าเท่ากับก็เรียกศาสตร์สถานคือเหมือนก็พันมันก็ให้เป็นพันเลยอคต่อไปก็พูดข้อความเดียวกันแต่ก็เพิ่มขึ้นมาว่าการให้ด้วยศรัทธาก็มีการดี พระบาตทั้งหลายกล่าวว่าการให้ทานเนี่ยการรบเนี่ยมันเสมอกันเห็นไหมการรบเนี่ยมันต้องสู้ขั้นสุดข้างนอกแต่การให้ทานมันต่อสู้กับขั้นสุดข้างในมันมีความเจ้าหนีบ้างมันมีความโลภ บ, บ้างมันมีความเมาบ้างมันมีความโกรธบ้างก็แล้วแต่แล้วมันก็หยุดอ่ะคือมีปัญหาสักจุดหนึ่งภายในใจเราก็ให้ไม่ได้แต่เราจะสามารถให้ได้ พอแสดงเอชนะข้าสึกในสงครามใหญ่ภายในใจเราเนี่ยพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าเมื่อจะฆาเจตนาคือเจตนาที่จะบริจาคเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีมัจเฉลจิตคือจิตที่จะมีมันเกิดขึ้นซ้อนซอนซ้อนซอนเป็นร้อยเป็นพันเลยแล้วถ้าไม่รีบให้ก็ให้ไม่ได้ก็บอกต้องให้โดยเร็วต้องให้โดยด่วนต้องให้ในทันทีทันใดถ้าไม่งั้นจะแพ้ แล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายจะสังเกตได้ว่ากุศลและเจตนาที่มันเกิดวูบขึ้นมาจะช่วยเหลือเนี่ยมันเยอะแต่ว่าถามว่าได้ช่วยจริงๆหรือเปล่าถ้าระบบลบคุณหารเราจะเห็นว่าที่เราไม่ได้ช่วยนี่เยอะเพราะอะไรเพราะบางทีมันจะนีมันเกิดแทรกซะบ้างหรือว่าเราไม่มีของที่จะให้บ้างแล้วก็เกิดเสียดายขึ้นมาบ้างหรือว่า อธิบายเหตุผลเข้ากันตัวเองเนีในที่สุดก็ไม่ต้องต้องให้เป็นต้นเนี่ยเพราะงั้นถ้าหากว่าบุคคลที่ให้ไปตามศรัทธาเนี่ยอยู่ของน้อยให้ไปตามน้อยให้แต่ศรัทธาเนี่ยก็มันเหมือนกับนักรบที่มีจานวนน้อยแต่เอาชนะค่าศึกที่จงกันข้าม า, มากได้ ถ้าบุคคลมีศรัทธาแม้มีของน้อยก็ให้ไปตามน้อยการให้น้อยนั้นแหละมันก็มีสุขเวทนาเป็นผลที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการให้ทานนั้นเราไปเกื้อกูลกับคนอื่นคนอื่นได้รับความสุขทางกายเราได้รับความสุขทางใจและในขณะเดียวกันเมื่อเขาได้รับผลต่อจากนั้นเขาก็มีความสุขทางใจ มันก็เกิดอาการอย่างหนึ่งที่เราพูดอะ่ะพูดแบบไทยว่ามักท่านเท่าใดมักตนละเท่า น, นั้นหมายความว่าเราทาแก่ท่านมาอย่างไรผลก็จะตอบสนองแก่เราในลักษณะอย่างเดียวกันทีนี้อีกคนหนึ่งก็ว่ามาเรื่อยๆนะฮะมาจนถึงท่านบอกว่าอันหนึ่งของที่ได้มาในทางที่ชอบทํเนี่ยเขาพูดเฉพาะสิ่งที่หายแล้วนี่ ได้ของที่ได้มาในทางที่ชอบทำก็เป็นการดีเพราะอะไรเพราะว่าตัววัตถุเนี่ยมันก็<ม>เรียกวัตถุสัมปทาคือสมบูรณ์ไม่มีปัญหาไ ม, ม่จะไปรักขโมยไม่จะไปค้าย่าบ้ามาให้ทานไม่จะไปช่อดวนหลอกลวงคนมาให้ทานแต่ว่าเป็นของที่ได้มาในทางสุจริตพ้นทานในลักษณะเหล่านี้ แต่ละอย่างที่จริงก็เป็นบา ร, รมีในแต่ละอย่างแต่ละอย่างส่วนจะบา ร, รมีระดับไหนก็เป็นเรื่องอีกระดับหนึง่งทั้งฝั่งทั้งหลายแต่รลวงพระพทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงท่นนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่ว ง, งามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฝั่งทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี